พอบวชเข้ามาจิตใจได้รับความสงบน้อยนึงพอเป็นสมาธิหน่อยหนึ่งพุ่นะโอโ้มีความสุขจริงๆคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงวงาาาศาคณาญาติจะไปโปรดเขาคิดจะไปโปรดพี่น้องพ่อแม่พอไปถึงเขาเขาใจหมัดเข้าไปสองสามหมัดเท่านั้นแหละอกแตกตายเลยมากต่อมากเลยด้เพราเหตุไรเพราะว่าจะไปสอนเข า, าเขาสอนตัวเองไม่คิดนะ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 เป็นบ้าได้ง่ายๆท่านนี้ออกจากหลักของตนเองแล้วนะเพราะนั้นให้พวกเราดูใจของเราได้อะไนีะหารไปเพื่ออะไรอยากได้ลาภได้ยศไปเพื่ออะไรอยากจะให้เขายกย่องสันนิษเสริญไปเพื่ออะไรผลในสุดตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่าตายเป็นอยู่อย่าอย่าหลงเจ้าของนะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราย้อน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 การการไม่กราบก็มีมีหลายแนวเหมือนกันนะ อ, อไม่ใช่ว่าไปเห็นแล้วก็เห็นเ อ, อที่ไหนก็จะกราบที่นั่นก็ไม่ใช่เออมันต้องดูซะก่อนแต่ถึงยังไงท่านท่านเห็นมองเ ห, เ, หอเห็นเหลืลเ อ, อเพนเลาแล้วเห็นเตี้ยเลาแล้วเออมาเราไม่ต้องขอโอกาสท่านหรอกเ อ, อถ้าหากว่าท่านเรากราบไปแล้วท่านไม่ท่านไม่ใส่ใจก็แสดงว่าท่านไม่ให้ความสนใจกับเราเออ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 ไม่ใช่ว่าเสียงนโมของคนหนึ่งนาโมนาโมดาจหาไปคนละทิศละทางมันต้องฝึอกอีกเหมือนกันนะเอออันนี้หลวงพ่อเคยได้ยินฮถ้าผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าเสียงไหนเอถ้าองค์ที่เป็นหัวหน้าเสียงไม่เข้าท่าก็พูดเสียงค่อยๆก็ได้ไม่ต้องเปล่งเสียงเพราะตัวเองเสียงผิดปกตินะเพียงแต่อนามโมนาโมพูนสองต่อสองก็ต้องรับ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 อพระเจอเอี่ยพวกนั้นพวกเรานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อมิตรสอนให้ความรอบคร อ, อบสอนให้เอเรียบร้อยทุกอย่างการเป็นอยู่การวางตัวกิริยามารยาทถ้างว่าเราวางตัวไม่ถูกไม่ได้นะแต่ตามทางนี้ทั้งนั้นเอไม่ใช่หัวหน้าทําอะไรให้ทําหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่นะแต่หลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟังไม่ใช่เหรออืม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 ไปกับเขาเขารู้จักที่แล้วเขาก็ไปส่งให้บ้านพ่อไปเห็นลูกชายเห็นโอ้แต่แต่แต่ไอ้ไอ้ขายหน้ า, านกันนะอพอเห็นพ่อตัวเองมีทั้งแกงมีทั้งเห็ดมีทั้งเอถุงหน่อไม้จะไปต้มไปแกงที่ไหนบ้านขนาดบ้านจะสุกหัวนอนก็นยังนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะเป็นห้องห้องเดียวที่เช่าไว้เนี่แหละอันนี้ก็คิดอายเข า, ากัน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 กินกีอ้อยพ่อก็ทําได้อลูกพาเตะกระป๋องพ่อกระเตะได้อแต่ลูกเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกเนี่ยพ่อทําด้วยไม่ได้แล้วลูกเอ้ย <c oughs> แปลว่ายศพ่อเ่ยยยอมแพ้เหมือนกันเออยอมแพ้ที่ว่าเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางจมู ก, กว่างันเออนี่ะเอะ น, อะนิทานแล้วว่า